การได้ฟังเทศฟังธรรมการได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นประโยชน์เป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจเพราะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นสามารถนำเอามา พัฒนาจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดของความเจริญทางด้านจิตใจเกิดขึ้นได้จากการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอน ของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามกำลังของการปฏิบัติปฏิบัติน้อยผลก็เกิดน้อยปฏิบัติมากผลก็เกิดมาก ไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งสิ้นอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นนอกจากที่ได้ยินได้ฟังทำแล้วก็น้อมเอาไปปฏิบัติต่อการที่จะฟัง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 เข้าใจมากขึ้นไปสจะกำจัดความสงสัยต่างๆได้ 4. จะทำให้เกิดปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและหจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข การที่จะได้ฟังได้รับประโยชน์หรืออนิสงของการฟังธรรมทั้งห้าประการนี้ผู้ฟังจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบการฟังธรรมจะไม่ได้รับผล พอใจจะไม่ได้อยู่กับการฟังใจจะไปอยู่กับการกระทําทางร่างกายทางวาจาและทางความคิดเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสทางหูก็จะไม่สามารถเข้าไปในใจได้ก็เหมือนกับเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปฟังแล้วไม่เข้าไปในใจ ฟังแล้วจึงไม่เข้าใจจึงไม่ได้รับประโยชน์เช่นมีปัญญาความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจได้นะถ้าอยากที่จะให้อนิสงของการฟังธรรมเกิดขึ้น ผู้ฟังต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายก็นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายวาจาก็ต้องไม่พูดคุยกันความคิดคือการกระทำทางใจก็ต้องหยุดหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มีสติจดจอ่อเฝ้าอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูแล้วรับรู้ได้ด้วยใจแล้วก็พิจารณาตามทรรมที่ได้ยินได้ฟังถ้าฟังแบบนี้แล้วจะเกิดผลขึ้นมาผลทั้งห้าประการจะ ปรากฏขึ้นมาได้คือธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราจะได้ยินได้ฟังกันส่วนธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอมาฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไปตามลำดับจะกำจัดความสงสัยต่างๆได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง จะทำให้จิตใจล่มเย็นเป็นสุขจิตผ่องใสสงบมีความสุขแล้วพอเราได้รับความรู้จากการที่เราได้ฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อเมื่อเราปฏิบัติได้เราก็จะสามารถบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติก็คือการ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับนั่นเองจิตใจนี้มีอยู่หลายระดับด้วยกันระดับที่เราเป็นอยู่กันนี้เรียกว่าระดับมนุษย์จิตใจของพวกเราตอนนี้เป็นมนุษย์กันแต่เราสามารถพัฒนาให้สูงกว่ามนุษย์ได้ ระดับที่สูงกว่ามนุษย์เราก็เรียกว่าเทวดาหรือเทพทั้งหลายระดับสูงกว่าเทพก็คือระดับพรหมระดับที่สูงกว่าพรหมก็คือระดับพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆมีอยู่สขั้นด้วยกันคือขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอารหรัน นี่คือระดับขั้นความเจริญของจิตใจขั้นต่างๆที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฝังธรรมที่สอนวิธีการปฏิบัติการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไป และในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถที่จะป้องกันความเสื่อมของจิตใจไม่ให้ตกลงไปต่ำกว่าระดับของมนุษย์ได้ด้วยเพราะนอกจากระดับของมนุษย์แล้วที่ที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็ยังมีอีกระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนารก นี่คือระดับต่างๆของจิตใจของสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่การที่ไปเกิดอยู่ในระดับขั้นต่างๆนี้ก็เกิดจากการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจนี่เองที่เป็นผู้ที่ทำให้จิตใจ สูงขึ้นหรือต่ำลงถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการกระทาของกายวาจาใจเราก็อาจจะไม่รู้ว่าการกระทาทางกายทางวาจาใ จ, ใจของเรานี้มีผลกระทบต่อระดับความเจริญหรือความเสื่อม ของจิตใจของเราเราจะคิดว่าเราทำแล้วเราก็ได้สิ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นเช่นเราไปหาเงินเราก็ได้เงินมาเราก็คิดว่าผลก็มีเท่านั้นเองผลที่จากการหาเงินมาแต่เราไม่รู้ว่าผลที่เกิดจากการหาเงินนี้มีได้หลายรูปแบบด้วยกันถ้าหาเงินได้ หาเงินด้วยความสุดจริตคือไม่ไปทาผิดศีลผิดธรรมไม่ไปทาบาปจิตใจของเราก็ยังไม่ตกต่ำจิตใจของเราก็ยังอยู่ในทัานะเดิมได้อยู่แต่ถ้าเราไปหาเงินด้วยการกระทาบาปเช่นไปฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์โกหกหลอกลวง พอเราหาเงินในรูปแบบนี้สภาพจิตใจของเราก็จะตกต่ำลงไปทันทีจากมนุษย์ก็จะลงไปเป็นเดรชานถ้าเราทำด้วยความไม่รู้บางคนนี้ไม่รู้ว่าการหาเงินด้วยวิธีทำบาปนี้มีผลนอกจากการได้เงินมาแล้วยังมีผลทางด้านจิตใจอีกด้วยือ จิตใจจะตกต่ำลงไปร่างกายอาจจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วถ้าได้เริ่มถ้าได้เริ่มทำบาปจิตใจก็จะเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ไปกานที่จะเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์นี้จะต้องไม่กระทำบาปห้าประการด้วยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรายาเมาและอบายามุกต่างๆเพราะอบายามุกนี้ก็แปลว่ากำลังไปยืนอยู่ที่ประตูของอบายกำลังจะเคลื่อนลงสูง่ภพภูมิของอบายเช่นเดลฉานเปรตอสุรกายหรือนรกเนี่ย ถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ว่ามีผลกระทบต่อจิตใจเช่นคิดว่าเป็นการทำมาหากินเลี้ยงชีพซื้อค่าเป็ดค่าไก่ค่าวัวค่าควายเพื่อเอาเนื้อหนังเขามาขายเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงชีพอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบาปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่ามีผลกระทบต่อสภาพ ของจิตใจไม่รู้ว่าจะทําให้จิตใจตกต่ําลงจากความเป็นมนุษย์ลงไปสู่ความเป็นเดรัจฉานนี่เพราะเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้การกระทําของเขาว่ามีผลทําให้เขาต้องเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาอยู่กันด้วยการฆ่ากันเขาต้องดํารงชีพด้วยการฆ่า เอาชีวิตของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตของตนเองเขาจึงเป็นเดรัจฉานกันผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ต้องฆ่ากันเพื่อเลี้ยงชีพได้สามารถเลี้ยงชีพของตนเองด้วยวิธีอื่นได้มีอาชีพอย่างอื่นที่สามารถเลี้ยงตนเองให้อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าไม่ได้ซื ไม่ได้มีการสั่งสอนไม่มีการอบรมไม่มีการบอกเล่าว่าการกระทำบาปนี้จะเป็นการดึงจิตใจให้ลงต่ำลงก็จะไปทำกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติของการดำรงชีพจำเป็นจะต้องรักษาชีวิตของตนไว้ก่อน ถึงแม้ว่าจะต้องทำลายชีวิตของผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้นี่คือความคิดระดับของพวกเดรชานจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่คิดแบบนี้ก็ถือว่าได้เสื่อมจากความมนุษย์ลงไปเป็นเดรชานแล้วถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้เริ่มเป็นเดรชานแล้ว แล้วถ้าทำผิดทำบาปมากๆก ก, ก็อาจจะต้องอยู่แบบเดลฉานคือจะต้องถูกเขาจับไปขังไว้ในคุกในกรงเพราะถ้าปล่อยให้อยู่นอกคุกนอกกรงก็จะไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเพราะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะถ้าเป็นมนุษย์นี้จะไม่ไปเบียดเบียน ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองผู้ที่ทำผิดแรงกฎหมายแรงๆผิดทำบาปแรงๆเช่นฆ่ามนุษย์หรือลักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะต้องถูกจับไปขังคุกขังตารางเพราะไม่ถือว่าเป็นมนุษย์แล้วถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่ แต่จิตใจนี้เป็นเดลฉานไปแล้ว น, นี่คือสภาพความเสื่อมของจิตใจที่เกิดจากการกระทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอันนี้ก็จะทำให้สภาพจิตใจเป็นเปรดไป เปรตก็คือผู้ที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยความอยากนั่นเองอยากได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอยังหิวอยู่นั่นจิตใจจะอยู่ในสภาพของความหิวโหวยตลอดเวลาได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มไม่มีความพอ นี่คือลักษณะของจิตใจของผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภท่านเรียกว่าเปรตจิตใจที่ทำบาปด้วยความกลัวทำร้ายผู้อื่นเพราะกลัวเขาจะมาทำร้ายเราทำด้วยความกลัวจิตใจก็จะเป็นอสุรกายมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตลอดเวลาอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ไม่มีความสุข ก็มีแต่ความหวาดกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเครีย ด, คยดแคนอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใจก็จะทุกข์จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟใจแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นนรกเป็นได้ตั้งแต่ยังไม่ ยังไม่ตายผลของกรรมนี้ผลของบาปนี้ปรากฏขึ้นมาทันทีในขณะที่ได้ทําบาปแล้วแล้วพอไม่มีร่างกายก็จะเป็นเต็มที่เป็นตลอดเวลาจนกว่ากําลังของบาปที่ได้ทําไว้นั้นหมดไปเหมือนกับเชื้อไฟที่ได้ถูกเผาหมดไปแล้ว ไฟถึงจะดับวิบากกรรมก็จะเป็นอย่างนั้นวิบากกรรมคือการเป็นเปรตก็ดีเป็นเดรัจฉานก็ดีเป็ น, นอนุสุลกายก็ดีเป็นนรกก็ดีก็จะแผดเผาจิตใจไปจนกว่ากรรมที่ได้ทําไว้นั้นหมดกําลังลงเมื่อหมดกําลังก็จะได้กลับมาอยู่ในสถานภาพของมนุษย์ใหม่ ได้มากับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้รู้ว่าการกระทาบาปนี้จะดึงจิตใจให้ลงต่ำให้ลงให้มีความทุกข์มากขึ้นไปตามลำดับก็อาจจะเริ่มละการกระทาบาปแล้วรู้ว่าถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจ ให้สูงกว่าจากการเป็นมนุษย์นอกจากการไม่ทำบาปแล้วก็จะต้องมีการทาบุญมีการทำความดีแก่ผู้อื่นทำความสุขทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ก็นำเอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเวลาที่เห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็เสียสละ รับข้าวของเงินทองที่อาจจะต้องใช้แต่ก็ยินดีที่จะช้อยใช้ให้น้อยลงไปด้วยการเอาไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ก้าวตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาจิตใจดึงจิตใจให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นเทวดาชั้นต่างๆ เทวดาแต่ละชั้นนี้ก็เป็นเป็นเกิดจากการที่เราได้ทำบุญมากน้อยตามลำดับนั่นเองถ้าทำมากก็ได้เป็นเทวดาที่ชั้นที่มีชั้นสูงขึ้นไปมากขึ้นไปทำน้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำความสูงต่ำของเทวดาก็วัดอยู่ที่ความสุขนี้เอง ถ้ามีความสุขมากก็ได้เป็นเทวดาที่ชั้นสูงมากมีความสุขน้อยก็เป็นเทวดาที่อยู่ชั้นชั้นต่ำเทวดาก็แบ่งอยู่ที่ะระดับของการทําบุญว่าทํามากทําน้อยทําน้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำทํามากก็เป็นเทวดาชั้นสูงนี่คือ ประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้เรื่องของความสุขของความเจริญของจิตใจหรือเรื่องของความทุกข์เรื่องเรื่องของความเสื่อมของจิตใจว่าเกิดจากอะไรเราก็จะได้สามารถป้องกัน ความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจได้ด้วยการไม่กระทำบาปด้วยการไม่เสพอบายามุกต่างๆเพราะการเสพอบายามุกนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายได้เพราะอบายามุกนี้ไม่มีไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อเมื่อใช้ใจ่ายไปเรื่อยๆทรั สมบัติเก้าของเงินทองไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปแต่ความอยากจะใช้เงินทองไม่ได้หมดไปกับทรัพย์สมบัติที่หมดไปความอยากใช้ยังมีอยู่ก็จะกดดันให้ไปหาทรัพย์โดยวิธีที่ทำบาปเพราะไม่สามารถหาทรัพย์ด้วยวิธีที่ไม่ทำบาปนั่นเองเพราะต้องการทรัพย์มากๆต้องการทรัพย์ ง่ายๆเร็วๆ ว, วิธีที่จะได้ทรัพย์แบบง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก, ก็คือการกระทำบาสนั่นเองก็จะไปทำบาสนี่คือสาเหตุทำไมจึงต้องละเว้นจากอบายามุกผู้ที่ไม่เสพอบายามุกนี้จะปลอดภัยจากการถูกกดดันให้ไปกระทำบาป เพราะจะมีเวลาไปทำมาหากินตามปกติและจะมีการดูแลรักษาทรัพย์ที่หามาได้อย่างปลอดภัยเพราะไม่มีการเอาไปใช้จ่ายกับอบายามุขต่างๆนั่นเองเช่นการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวดูของและเล่นต่างๆเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เที่ยวกลางคืนเที่ยวตามบาร์ตามผับนีแล้วก็ไปคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นเพื่อนก็จะถูกเขาชวนไปเสพอบายามุกเลยอยู่เรื่อยๆแล้มีความเกลียดคา้านนี่คืออบายามุกหประการด้วยกันห้าหประการดื่มสุราเล่นการพ น, นันเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเที่ยวกลางคืน คบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรและมีความเกียจข้าในตนเองนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ไม่ต้องการให้จิตใจตกต่ำไม่ต้องการให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นในจิตใจจำเป็นที่จะต้องละการกระทาเหล่านี้ <c oughs> เมื่อไม่ได้เสพอบายามุขจะสามารถรักษาทรัพย์ที่หามาได้จากการทรอาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริต วาจะไม่ต so ้องที่จะต้องไปหาทรัพย์ด้วยการกระทําบาปก็จะสามารถรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ได้แล้วถ้ามีทรัพย์มากเกินไปก็สามารถใช้ทรัพย์นี้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์ได้โดยการเอาทรัพย์นี้ไปทําบุญทําทาน เหมือนกันจะทำบุญหรือทำทานก็เป็นการพัฒนาจิตใจให้เป็นเทวดาขึ้นมาทำกับวัดเราก็เรียกว่าทำบุญทำกับสถานที่อื่นเราก็เรียกว่าทำทานก็เป็นการ เ, าเสียสละทรัพย์เหมือนกันเพียงแต่สมมุตินิยมก็มักจะใช้คำพูดให้มันเหมาะสมต่อสถานภาพของบุคคลที่ได้รับ ของจากเราเท่านั้นเองให้กับศาสนาก็เรียกว่าทำบุญให้กับผู้อื่นก็เรียกว่าทาทานแต่ก็เป็นการให้เหมือนกันเป็นทานเหมือนกันผลก็คือบุญก็คือความสุขใจความเจริญของจิตใจจิตจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจะมีความสุขมากกว่าสุขของมนุษย์ก็จะได้สุขของเทวดา ทำน้อยก็ได้ขั้นต่ำเทวดาขั้นต่ำทามากขึ้นไปก็จะได้ความสุขของเทวดาขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับจนสามารถได้ความสุขเต็มที่เต็มขั้นของเทวดาคือมีเงินมากน้อยเพียงไรก็ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นเลยยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็คือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่พอมีเหลือแล้วไม่เก็บเอาไว้ให้หนัก อ, อกหนักใจไม่ให้มาต้องมากังวลดูแลรักษาเอาไปทำบุญให้หมดอย่าง น, นี้ก็จะได้ได้พัฒนาจิตใจถึงขั้นสูงสุดของเทพเทวดาแต่เหนือกว่าเทพของเทวดาก็ยังมีความสุขที่เหนือกว่ามีความสูงกว่าของจิตใจ ที่ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ถ้าฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังว่านอกจากการรักษาศีล น, นอกจากการทาบุญทำทานแล้วเรายังมีการภาวนาเรายังภาวนาได้อีกด้วยอันนี้เป็นวิธีเสริมความสุขความเจริญให้สูงขึ้นไปกว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาได้ กาภาวนานี้ก็มีสองระดับด้วยกันภาวนาเพื่อส่งให้จิตขึ้นไปสู่ระดับพรหมเป็นพรหมชั้นต่างๆแล้วภาวนาระดับที่สองก็จะส่งจิตให้ขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยะเจ้าตามลำดับต่อไปนี่นี่คือ เรื่องที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนวิธีรักษาจิตใจไม่ให้ตกต่ำด้วยการไม่กระทาบาปและเสพอบายมุกต่างๆแล้วก็พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากความเป็นมนุษย์จากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาด้วยการทาบุญทาทานมีเงินทอง มากน้อยก็ไม่เก็บเอาไว้ให้รกลุงรังเพราะรู้ว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 2> เก็บไว้ก็ไม่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็เป็นได้แค่มนุษย์เท่านั้นเอง <Yeah. S 2> แต่ถ้าเอาเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปทำบุญทาทาน <Yeah. S 2> จิตใจก็จะมีความสุขมากขึ้น <Yeah. S 2> ผลของการทำบุญนี้เกิดขึ้น ท, ทันทีทำบุญแล้วจะได้ จิตใจจะมีความสุขมากขึ้นแล้วสถานภาพของจิตใจก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาตามลำดับแล้วถ้ายังอยากจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ยังสามารถทำได้โดยการภาวนาการภาวนานี้จะทำเพิ่มความสุขให้มากกว่าความสุขที่จะได้รับจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีล <c oughs> คือความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขของมนุษย์เหนือกว่าความสุขของเทวดาคือความสุขของพรหมความสุขของพรหมนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันแบ่งอยู่8ระดับที่เรียกฌานขั้นต่างๆรูปฌานสี่อรูปฌานสีคือความสงบมากน้อยต่างกันนั่นเอง เวลาที่เราภาวนาเราจะใช้สติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบสงบตามลำดับของกำลังของสติในการควบคุมความคิดถ้ามีสติมากจิตก็จะสงบมากมีสติน้อยจิตก็จะสงบน้อยก็จะได้ฌานขั้นต่างๆ ได้มีฌานอยู่แดขั้นด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับยิ่งสงบมากก็ยิ่งมีความสุขมากนี่คือระดับของพรหมที่เราสามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นไปสู่ความสุขของระดับพรหมได้แต่ความสุข หรือสถานภาพของจิตใจที่ได้รับการพัฒนาให้ขึ้นไปสู่พรหมโลกสู่เทวโลกนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่คือยังมีความเสื่อมได้อยู่ยังไม่เป็นการพัฒนาที่ถาวรยังเป็นการพัฒนาชั่วคราวอยู่ได้เป็นพรหมแล้วเวลาถ้าตายไป ก็จะไปเป็นพรหมอยู่ระยะหนึ่งพอกําลังของสติที่รักษาที่ทำให้ใจสงบนั้นอ่อนลงใจก็จะเสื่อมลงมาจากฌานขั้นสูงลงมาสู่ฌานขั้นตำ่ำแล้วพอถึงขั้นต่ำสุดแล้วก็จะเสื่อมลงมาสู่ความสุขของระดับเทพต่อไปจากระดับเทพก็จะเสื่อมลงมาตามลำดับไปเรื่อยๆ จนถึงระดับของมนุษย์พอถึงระดับของมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเกิดอยู่ในยุคใดสมัยใดถ้าไปเกิดอยู่ในยุคที่ไม่มีศาสนาก็อาจจะถูกสิ่งแวดล้อมกดดันให้ไปกระทำบาปก็ได้ถ้าไม่มีกำลังต้านการกระทำบาป ก็อาจจะทำดึงให้จิตใจตกต่ำลงไปต่อไปได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในในสังคมหรือในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการทำบุญทำทานต่อการภาวนาก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้กลับสูงขึ้นไปใหม่ได้ ลกลับมาเกิดในสังคมที่มีการทำบุญทาทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาอย่างสังคมของมนุษย์ของชาวพุทธชาวไทยเหล่านี้เป็นสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจเพราะมีการชวนเชิญให้ทำบุญทาทานอยู่อย่างสม่าเสมอมีการชวนเชิญให้รักษาศีลกัน มีการชวนเชิญให้ภาวนากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในยุคที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจถ้าจิตใจไม่มี <c oughs> สันดานที่จะทำความดีก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวหล่อหลอมเป็นตัวผลักดันให้ไปทำความดีแต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีสันดานที่ มีทําความดีอยู่แล้วนี้จิตใจอันนี้เป็นจิตใจพิเศษไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมใดจะเอื้อต่อการทําความดีหรือไม่ก็จะทําความดีเของตนไปเพราะมันติดเป็นสันดาลเป็นนิสัยเ <c oughs> ช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ท่านจะทําแต่ความดีไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญการทําความดีหรือไม่ก็ตามแต่จิตใจที่มีสันดานที่ชอบทําแต่ความดีนี้จะไม่มีอะไรในสังคมที่จะมาหลอกล้อมหรือมากดดันให้ไปทําชั่วได้การการจะมีสันดานแบบนี้ได้ก็อาศัยการกระทําอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสม อ, อ ไม่ขาดตอนทำไปเรื่อยทำไดทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสเนี่ยทำไปแล้วมันจะฝังเข้าไปจนหล่อล้อมให้ขึ้นมาเป็นสันดานเนเช่นเดียวกับสันดานในการทำความชั่วก็เป็นแบบเดียวกันถ้าขยันทำแต่ความชั่วทำอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนมันก็จะฝังเข้าไปเป็นสันดานได้ถ้ามีสันดานชั่วไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมที่ดีขนาดไหน สังคมที่ดีนั้นก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก็จะทําแต่ความชั่วไปเรื่อยๆจะไม่สนใจกับการทําความดีอันนี้เป็นพวกบัวที่อยู่ต่างโคลนตมที่จะไม่มีสวันที่จะสามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้เพราะเป็นสันดานชั่วแต่ถ้ามีความรู้สึก ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วอยากจะแก้ไขก็ยังมีโอกาสแก้ไขได้ถึงแม้จะชั่วขนาดไหนก็ตามถ้าวันดีคืนดีเกิดมีจิตสำนึกขึ้นมาว่าการกระทำต่างๆของตนนี้มันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เลยก็อาจจะฝืนรับแก้สันดานใหม่ได้เหมือนกันไม่มีอะไรที่ถาวอน ดีขนาดไหนก็เปลี่ยนเป็นชั่วได้ชั่วขนาดไหนก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นดีได้แต่ยากเท่านั้นเองดังนั้นอย่าประมาทพยายามหล่อร้อมจิตใจให้อยู่กับการกระทำความดีทำบุญทำกุศลเพื่อให้มันเป็นสันดานขึ้นมาเพราะว่าเราจะไดะ้มีแต่การพัฒนาจิตใจ มีแต่การสร้างจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับแต่จะสร้างสูงขนาดไหนก็ยังต้องเสื่อมลงมาอยู่ยกเว้นว่าถ้าได้มีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึง่งคือถ้าหลังจากที่ได้ภาวนาได้สมถะภาวนาได้ผลของการภาวนาได้เป็นพรหมชั้นต่างๆแล้วทีนี้ทําได้มาเจอกับ พระพุทธเจ้าก็ดีเจอกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีทีนี้จะได้พบกับวิธีที่จะรักษาการพัฒนาของจิตใจไม่ให้เสื่อมลงไปพอถึงขั้นพรมแล้วนี้ยังสามารถรักษาความสุขระดับพรมได้ แต่จะเปลี่ยนสถานภาพจากพรหมขึ้นไปเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระอริยเจ้านี้จะสามารถป้องกันความเสื่อมของจิตใจได้และป้องกันการเวียนว่ายตายเกิดได้ลดการเวียนว่ายตายเกิดได้จากจำนวนที่ไม่มีวันสิ้นสุดมาเหลือเพียงเจ็ดชาติสำหรับพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่ง พอได้ภาวนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาเพื่อเกิดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์นี้เองอริยรรสัจสี่ก็คือเห็นทุกขังไตรลักษณ์ก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในสภาวะของในสภาวในสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น อสภาวะธรรมในรูปแบบไหนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นเกิดมาจะร่ำรวยขนาดไหนจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนจะมีความสุขมากน้อยขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเสื่อมมีความสิ้นทั้งนั้นถ้าไม่อยากที่จะต้องกลับมา หาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆก็ต้องเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ก็จะละความอยากที่จะไปหาสภาวะธรรมต่างๆมาให้ความสุขกับตนได้พอเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นลาบยศสรนลเสริลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรา ห้ามไม่ให้มันเสื่อมได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปอยากได้มันตัดความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากอะไรทั้งสิน้นอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆได้ก็จะสามารถดึงจิตใจให้อยู่เหนือความเวีนไวยตายเกิดได้สำหรับระดับแรก ก็ยังไม่สามารถดึงจิตใจให้พ้นได้ทั้งหมดก็ดึงได้ให้พ้นจากอบายถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะพ้นจากอบายเพราะจะมีกำลังที่จะดึงจิตใจไม่ให้ตกต่มยิ่งกว่าพบของมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าพิจารณาเจริญปัญญา จาสภาวะธรรมอื่นๆที่ยังไม่ได้พิจารณาต่อไปก็จะสามารถตัดความอยากความยึดติดในสภาวะธรรมต่างๆได้จากเจ็ดชาติก็จะเหลือหนึ่งชาติสสำหรับพระสกิดาคามีจากพระจากหนึ่งชาติก็จะเหลือก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรมอยู่ คือขั้นของพระอนาคามีเพราะยังไปติดสภาวะรมความสุขของระดับพรหมอยู่นั่นเองก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความสุขระดับพรหมนี้ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากหาอยากอย่าไปอยากได้ความสุขของระดับพรหมปล่อยความสุขระดับพรหมไป มันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปพอสามารถปล่อยวางความอยากได้ความสุขในระดับของพรมมโลกได้ใจก็จะหลุดออกจากวัฏะสงสารหลุดออกจากตายพบทันทีหลุดออกจากกา ร, รมมาพบรูปพบและอรูปพบใจก็เรียกว่าเป็นพาาาระอรหันต์พระผู้ที่สิ้นกิเลสสิ้นความโลภความโกรธความหลง เช่นความอยากต่างๆพอเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตายภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายภพอีกต่อไปนี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนากันแล้วตายไปก็จะกลับขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วหลังจากนั้นก็จะเสื่อมลงมาตามลำดับแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สำหรับผู้ที่มีนิสัยสันดานที่ชอบทำความดีก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ของเทวดา และของพรมส่วนผู้ที่ยังมีสันดานชอบทำบาปชอบเสพอบายามุกอยู่ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติคือในในภพของของอบายทั้งสีจากมนุษย์ก็ลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบาปใหม่ อันนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเพราะยังติดอบายมุกยังติดการกระทําบาปอยู่ยังเลิกกระทําบาปไม่ได้ยังเลิกเสพอบายมุกไม่ได้ส่วนผู้ที่เลิกทําบาปได้เลิกเสพอบายมุกได้เอถ้ายังไม่ได้ทําบุญก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไปเป็นเทวดาไม่ได้เพราะไม่ได้ทําบุญะ แต่ถ้ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำบุญอันนี้ก็จะทำให้กายเป็นเทวดาไปแล้วถ้าไปเจอวัดเจอผู้รู้ชวนให้ไปภาวนาถ้าไปภาวนาได้ก็จะเลื่อนจากความเป็นเทพขึ้นไปเป็นพรหมถ้าภาวนาด้วยสมถะคือใช้สติควบคุมจิตใจให้สงบ จิตใจก็จะสงบแต่พอกําลังของสติอ่อนลงจิตใจก็จะเส่อมออกมาก็จะเริ่มยืเอเริ่มมีความคิดปรุงแต่งเริ่มมีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเส่อมลงมาเป็นเทพต่อไปแล้วก็ลงมาเป็นมนุษย์ตามลำดับแต่ถ้าสามารถจเจริญปัญญาระงับความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอารหันต์ตามลำดับต่อไปพอได้เป็นพระอารหันต์แล้วทีนี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมเป็นพระอารหนไปยังไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย เป็นาาพระอริยบุคคลไม่ว่าจะขั้นไหนก็จะไม่เสื่อมลงไปจากขั้นนั้นมีแต่จะคอยปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเท่านั้นเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกต่อไปจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อให้สูงขึ้นไปจากเป็นพระโสดาบันก็จะไปเป็นพระสกิดาคามีจากพระสกิดาคามีก็จะเป็นพระอนาคามี จากพระอนาคามีก็จะเป็นพระอาหารหันต์ตามลาดับต่อไปการพัฒนาของจิตใจพอได้เข้าสู่ขั้นระดับของพระอริยบุคคลแล้วจะไม่มีเสื่อมไม่มีขึ้นไม่มีลงมีแต่ขึ้นอย่างเดียวตั้งอยู่นะถ้ายังอยู่ในระดับของพรมของเทวโลกอยู่นี่ยังมีการเสื่อมอยู่นั่งสมาธิจิตรวมเป็นฌานได้ตายไปก็ได้ไปเกิดบนพรมโลก พอกําลังของสติเสื่อมลงชาญก็จะเสื่อมตามเสื่อมลงมาจากพรหมโลกก็มาติมาแวะที่เทวโลกก่อนแล้วก็มาเสพ ร, รูปทิพย์เสียงทิพย์ก่อนพอหมดบุญที่จะอยู่ในเทวโลกก็จะกลับลงมาสู่มนุษย์มนุสยัโลกต่อไปแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ถ้ายังมีนิสัยฝ่ายบุญฝ่ายคุศลอยู่กลับมาเกิดก็จะ ทำบุญรักษาศีลภาวนาต่อไปตามโอกาสตามเหตุการณ์แต่จะไม่ไปทําบาปถ้ามีนิสัยสันดานที่จะทําแต่บุญอย่างเดียวก็จะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายแต่ชีวิตบางทีมันก็ไม่แน่นอนบางทีมีโอกาสมีเหตุการณ์ที่มากระทบแรงๆก็อาจจะเผลอสติ ได้ก็เรียกว่ารูกแก่อำนาจของของความโลภของความโกรธหรือของความหลงก็อาจจะสามารถไปทำบาปได้ทั้งทงที่มีนิ ส, สัยที่จะชอบทำบุญอยู่ก็ตามแต่เวลาเกิดมีเหตุการณ์อะไรมาทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาแรงๆก็อาจจะหลงไปทำบาปได้เหมือนกันการมาเกิด เป็นมนุษย์จังยังมีความเสี่ยงอยู่ต่อการไปเป็นบายอยู่ถ้าเราไม่ได้ไปสู่ขั้นของพระอริยะเจ้าแต่ถ้าเราได้ขึ้นไปสู่ขั้นของพระอริยะเจ้านี้เราจะมีสติปัญญาที่มีกำลังมากกว่าเวลาที่เรามีความโลภเ ก, กิดขึ้นมารุนแรงขนาดไหนก็ตามพระโสดาบันนี้จะยับยั้งไม่ให้ไปกระทาบาปได้ พระอริย บ, บุคคลทุกระดับจะสามารถยับยั้งจิตใจไม่ให้กระทำบาปได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบีบคั้นจิตใจให้มีความทุกข์มากน้อยเพียงไรก็ตามท่านจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดท่านจึงสามารถปิดประตูอาบายได้ส่วนผู้ที่เป็นบุตุชนนี้ถึงแม้จะเป็นพรหมก็ตามมีสติแต่ไม่มีปัญญาพอ ที่จะไประงับอารมณ์โกรธโลภโกรธหลงที่จะหลอกให้ไปทำบาปได้ยังยังมีการเสี่ยงอยู่ถึงแม้ว่าจะเคยไปเป็นพรหมมาก็ตามแต่เวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดไปเจอเหตุการณ์บีบคั้าจิตใจบังคับให้จิตใจไปทำบาปก็ยังไปทำบาปได้อยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับไปเกิดในอบายได้อยู่ ก็ไม่มีปัญญามีแต่สติแต่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ว่าสิ่งต่างๆมันมันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปสนใจกับมันมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ต้องไปทำอะไรจะโลภจะโกรธขนาดไหนก็ไม่ต้องไปทาอะไรอยู่เฉยๆไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอารมณ์เดี๋ยวมันก็สงบไป หายไปผู้ที่มีปัญญาก็จะไม่ต้องไปทําบาปตามอารมณ์ต่างๆก็จะไม่ไปอบายโลภขนาดไหนโกรธขนาดไหนก็ไม่ทําบาปเพราะรู้ว่าสิ่งที่ทําได้ไม่คุ้มเสียทําบาปแล้วถึงแม้จะได้ได้ทำอย่างที่ตนเองอยากจะทําแต่ผลที่จะได้มันร้ายกว่าความเสียหายที่จะได้มันร้ายกาดกว่า สิ่งที่เราจะได้รับจากการทำบาปพระอริยเจ้าก็จะไม่มีการทำบาป น, นี่คือสิ่งต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมหรือเวลาที่เราศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินเรื่องของการพัฒนาจิตใจหรือการเสื่อมของจิตใจ ว่าเกิดจากการกระทำของเราเองเกิดกระทเจจากการกระทำทางกายทางวาจาใจของเราถ้าเรามีการกระทำดีในทางกายวาจาใจก็จะทำให้ใจพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับถ้ามีการกระทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็จะเป็นการดึงใจให้เสื่อมลงต่าลงไปตามลำดับ แล้วเวลาร่างกายไม่มีใจก็จะต้องไปรับผลของบุญและของบาปนี้ไปแล้วถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้รู้วิธีที่จะทาให้พัฒนาแบบไม่เสื่อมไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาพัฒนากันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะต้องกลับมาพัฒนาอยู่เรื่อย พัฒนาได้สูงสุดก็ขั้นระดับพรห ม, มโลกแล้วพอตายไปหลังจากที่ไปรับผลในพรห ม, มโลกก็ต้องเสื่อมลงมาสู่เทววโลกจากเทววโลกก็จะต้องเสื่อมลงมาสู่มนุษยุโลกแล้วก็ต้องมาเริ่มกันใหม่เริ่มกันแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็กลับลงมาใหม่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในสุขติเป็นอย่างนี้ถ้าไป ถ้าไม่มีศาสนาไม่มีคนสอนให้ทําความดีชอบแต่ทําความชั่วก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเวียนว่ายตายเกิดในอบายทําบาปแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดในอบายหลังจากพ้นจากอบายกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็กลับมาทําบาปใหม่ก็จะเวียนว่าอยู่ในส่วนที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกขติทุกขติก็คือ ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขนะส่วนสุกคติก็คือที่ที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์เรียกว่าสุขคติทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทำของเราเองนีการกระทำของเราเราจะทำไปในทิศทางไหนนี้ก็เกิดจากการมีผู้รู้ผู้สั่งผู้สอนหรือไม่ถ้าไม่มีผู้รู้ผู้สั่งผู้สอนเรามีผู้ผู้สั่งสอนเก่าอยู่ในใจเรา ผู้สั่งสอนเก่าอยู่ในใจเราคืออะไรก็คืออวิชากิเลสตัณหาโมหะนีเ่เป็นอาจารย์เก่าของเราอาจารย์ของเก่าของเราก็จะเก่งแต่สอนให้เราไปทําบาปทั้งนั้นสอนให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่เป็นกองทุกข์แล้วถ้าหาไม่ได้ด้วยวิธีที่สดจริตก็สอนให้หาด้วยวิธีทุจริตนี่คืออาจารย์เก่าของเราคือโมหะอวิชากิเลสตัณหา ที่มันสอนให้เราไปหาความสุขทางร่างกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็หาโดยวิธีทุจริตแต่มันจะไม่มีใครมาสอนให้เราหยุดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะไม่เพราะว่ามันเป็นความทุกข์อันนี้จะไม่มีใครรู้กิเลส กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาจะไม่รู้ว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขะจะต้องรอให้มีธรรมะมาสอนเท่านั้นต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆ ท, ที่สัต์โลกหากันอยู่เป็นความสุขนี้ความจริงมันเป็นความสุขนิดเดียวแต่ความทุกข์ที่ได้มา น, นี้มันมากกว่าความสุขหลายร้อยเท่า ได้แล้วไม่คุ้มเสียมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นลาบยศจระเสริมไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วมันต้องมีเสื่อมมีหมดไปเวลาหมดมันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตามันเป็นอย่างนี้ ามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องหมดหมดแล้วก็ต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้อันนี้เราก็จะได้ความรู้ใหม่ความรู้ที่เราได้จากการฟังเทศฟังธรรมนี่จะได้รู้จากอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้รู้จาก อ, อ, อ, อริยสัจสี่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากได้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดหาสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์กันเสีย ด้วยการใช้ศีลสมาธิปัญญาด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานั่งสมาธิทาใจให้สงบจเจริญปัญญาแล้วใจก็จะได้พัฒนาขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากศาสนา ถ้าได้พบเฉยๆไม่ฟังธรรมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่อยู่บนเขานี้เขาก็ได้อยู่กับาศาสนาได้อยู่กับวัดอยู่กับพระแต่ใจเขาไม่รู้เรื่องของาศาสนาเพราะเขาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเขาไม่มีความสามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมมนุษย์ที่มีความสามารถที่จะฟังเทศฟังธรรมได้แต่ไม่สนใจก็ไม่ต่างจากเดรัจฉาน คือไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาเหมือนกันเหมือนกับเดรลฉานเดรลฉานเขาไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนามนุษย์ที่ไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาก็จะไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันแต่มนุษย์ที่สนใจฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างพวกเราที่มากันอยู่ทุกเดือนมากันเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนี้ก็เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ นี้จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าจะสามารถนําเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่เท่า น, นั้นเองถ้าฟังแล้วไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ได้ประโยชน์เพียงเดี๋ยวเดียวได้ประโยชน์ในขณะที่ฟังเท่านั้นพอออกจากสถานนี้ไปเดี๋ยวก็ลืมแล้วประโยชน์ที่ได้ก็จะจางหายไปหมดแต่ถ้าฟังแล้วเอาไปทําการบ้านต่อเอาไปไร้ควรต่อเอาไปพิจารณาต่อแล้วนําเอาไปปฏิบัติ มันก็จะไม่ลืมมันก็จะอยู่กับใจต่อไปและจะเพิ่มความสุขเพิ่มความเจริญให้มีมากขึ้นไปตามลำดับดังนั้นหลังจากที่ท่านได้มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้แล้วสิ่งที่ท่านควรจะกระทำกันต่อไปก็คือเอาไปทำการบ้านกันเอาไปคิดพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังของสติและปัญญาแล้วพอ ถึงเวลาก็กลับมาฟังใหม่เพราะถึงเวลานั้นทมที่ได้ยินคราวที่แล้วก็อาจจะหายไปหมดก็ได้หรือหายไปบางส่วนก็ต้องกลับมาเสริมใหม่กลับมาฟังอยู่เรื่อยๆท่านถึงบอกว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็อย่างที่พวกเราได้กำหนดกันเดือนนั้นหนึ่งครั้งอย่างน้อยก็มาฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อมาเสริมความรู้ เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ถึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปขออนุโมทนาให้พร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 ภราสุยธาสพิตโยวิวาชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตระโยสุขีทีขาโยโวะอภิวะธนศีลิสาณิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขัง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 เขียนข้อความส่งเข้ามาแล้วจะมีพิธีกรช่วยอ่านคำถามให้แต่อย่าถามตอนที่เลิกประชุมแล้วเพราะจะไม่ได้ตอบเพราะหมดเวลาอย่าถามถามตอนนี้เลยวันนี้ทาง Facebook YouTube ไม่ทราบเข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามรอยห้าสิบสี่คนครับยู u ูบหนึ่งร้อยสามคน r รด i โอยี่สิบสองคน ผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยหกสิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยสี่บสี่คนครับอาจารย์ก็อยู่ประมาณเกณฑ์เกณฑ์ทงวาาก็หกตองหกก็ใกล้เคียงมีเพจปลอมขึ้นมาเป็นเป็นชื่อผร้อาจารย์สุชาติเข้มธัรมโมแล้วก็มีรูปผร้อาจารย์ด้วยะนะครับแล้วก็แสดงว่ามีแสดงว่าเรามี ม, มีมีคุณค่ามีคน <c oughs> คนจะดีใจอย่าเสียใจมีคนเรียนแบบนี่แสดงว่าเราดีเขาอยากจะเรียนแบ บ, บแล้วก็มีมีเพจชื่อพระอาจารย์สุชาติอภิชาตตาโตครับแล้วก็แต่ในเพจของพระอาจารย์สุชาติเขมธรรมโมเนี่ยมีการมีการ มีการแจ้งว่าสนใจเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเดชสักกลุไหมายโยมครับก็เดี๋ยวก็โพสไปในเพจก็แล้วกันบอกว่ามีเพจบอมอยู่ให้ญาติโยมติดตามได้รูแล้วเรื่องเลีเ่ยไรยนี่เราไม่มีการเลี่ยไรยถ้าอยากจะทราบว่ามีไม่ก็ต้องเช็คกับเพจเราอีกทีหนึ่งอีกทีแต่ไม่มีปกติจะไม่ได้เลี่ยไรยของเงินใคร อยู่ในโลกก็อย่างนี้แหละโลกทุกคนก็อยากจะได้เมือนใช้ชื่อตัวเองไม่ได้ก็ต้องใช้ชื่อคนอื่นอ่าถ้ามีคำถามก็อ่านได้คำถามจากุนศาราฝากถามนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะเวลาพระอาจารย์เดินบินทบาตข้าวพระอาจารย์ที่เทใส่กะละมังตอนบินทบาต ญาติธรรมนำเก็บไว้ไม่มากและแบ่งให้ผมนิดนึงบอกเป็นสิริมงคลคําถามคือของถวายที่ยังไม่ถึงศาลายังไม่ได้อุปโลกแต่โยมแบ่งมาทานแล้วและผมเผลอกินไปนิดนึงไม่กล้ากินกลัวเป็นเปรตญาติธรรมบอกอาหารต้องอุปโลกแต่ข้าวไม่เป็นไรขอความกระจ่างจากพระอาจารย์ด้วยครับกังวลมากคือถ้าพูดตามทฤษฎีนะคือของที่พระได้จากบิณฑบาต ทั้งหมดนี้พระต้องเอาไปแจกระหว่างพระก่อนเพราะว่าพระเราต้องดูแลพระด้วยกันก่อนแล้วถ้าหลังจากนั้นถ้ามีอาหารเหลือจากพระก็จะยกให้กับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่มาทําบุญร่วมกันเลี้ยงญาติโยมต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนของการแบ่งรายได้ <c oughs> า, า, ารายได้ของพระก็คืออาหารบิณฑบาตก็ต้องเอามาดูแลพระทุกรูปก่อนว่าได้รับการดูแลพร้อมกันหรือยังบางทีอาจจะมีพระแก่พระชราพระป่วยก็ต้องจัดอาหารจากการบิณฑบาตนี้ไปเลี้ยงท่านก่อนดังนั้นโดยปกติแล้วญาติโยมจะไม่เข้ามายุ่งกับอาหารของพระจนกว่าพระจะอนุญาต คือหลังจากพระได้แบ่งกันเสร็จแล้วก็จะเอาไปกองไว้ในกางศาลาจัดให้ญาติโยมรับประทานกันอีกทีแทนญาติโยมอยากจะกินข้าวกุ้นบ่ายก็ต้องรองให้เป็นถึงขั้นตอนนั้นคือให้มีให้ให้เหลือจากพระแล้วแล้วเอาไปกองไว้ที่ศาลาอที่การอุปโลกนี้ก็เป็นเพียงแต่พิธีกรรมคือเป็นการแจ้งบอกว่า อาหารที่ได้จากที่สงได้มานี้ของที่สงได้มานี้เป็นของสงให้สงพิจารณาตามลำดับพรรษาก่อนให้พระผู้ใหญ่เป็นผู้พิจาราก่อนจนถึงพระอันดับสุดท้ายถ้ามีของเหลือจะเอาไปแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหายาตโยมก็สามารถทำได้อันนี้บางแห่งก็จะต้องสวดกันทุกครั้ง แต่บางแห่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมไม่ต้องสวดเข้าใจกันแล้วว่าของที่จะเอาไปได้นี้ต้องรองให้ทางวัดเขาจัดแยกออกมาอีกทีหนึ่งก่อนถ้าถ้าไปทำตอนที่ยังไม่เสร็จเช่นไปบินระบาดกลับมายังพระยังไม่ทันแบ่งก็ขอไปละอันนี้ก็มันผิดขั้นตอนแล้วอันนี้ก็ถ้าเอาไปก็ถือว่าผิด ก็าจะเป็นเปรตได้ถ้าทําบ่อยๆเออถ้าทํำคนเดียวก็เป็นเปรตนิดเดียวถ้ารู้ก็ต่อไปก็อย่าทําก็แล้วกันของพระถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราอยาาไปเอาของท่านดีกว่าเรามีเงินทองของเราเราไปซื้อกินของเราดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าพระเขาให้เรานี่ไม่เป็นไรถ้าพระให้มกับเราเนี่แสดงว่าไม่เป็นเปรตแล้วพระท่านอนุญาต เพราะของทางของทางเหล่านี้ยเราก็ก็อนุญาตให้แบ่งให้ได้อย่างเราก็มีนมมีอะไรก็แจกให้เด็กไปอย่างนี้ถ้าพระแจกให้เราพระสงฆ์ท่านก็ไม่ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าอนุโมทนาอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเปะแต่ถ้าเราแจากแล้วมีพระมาบน่นว่าทําไม่ถูกเราก็ต้องหยุดเพราะว่าเขาไม่อนุโมทนา ก็ไม่ยินดีแต่เจ้าที่ผ่านมาก็ไม่มีท่านใดท่านเจ้ามาไม่ไม่ยินดีด้วยก็เลยท่าทำไปนี่ก็คือหลักง่ายๆพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นของพระแล้วท่านไม่ให้เราเราอยากไปขอขอนี่มันก็เป็นการโลภละเป็นกิเลสขึ้นมาลนะแล้วถ้าไปโลภแบบผิดผิดศีลมันก็เป็นเปดขึ้นมา แต่ถ้าโรคแบบไม่ผิดสีนี่ก็ยังไม่เป็นเปรแต่ก็ยังเป็นมนุษย์ที่โรคอยู่ก็ไม่ดีความโรคมันไม่ดีเพราะมันจะทำให้เราไม่ช้าก็เลยว่าอาจจะต้องไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็ได้งั้นพยายามคอยควบคุมความโรคไว้ให้เราเอามักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามดีตามเกิดพระให้ก็รับพระไม่ให้ก็ลแล้วไปเราจะปลอดภัย คำถามฝากถามค่ะอยากทราบว่าหากเรารู้ตัวว่ามีกรรมเรื่องความรักและมีเจ้ากรรมในเวรเราจะมีวิธีทำให้กรรมนั้นหมดไปได้อย่างไรคะถ้าเรามีความรักเราต้องหัดพิจารณาสุภะพยายามศึกษาอะนาตอมีของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับวิชาอย่างหนึ่งที่เราศึกษาได้เรามีร่างกายแต่เราไม่รู้จักร่างกายว่าเป็นอะไรกัน รู้เพียงบางส่วนรู้แต่ภายนอกเห็นแต่ผมคนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองแต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นถ้าเรามันศึกษาดูอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นส่วนที่มันไม่น่าดูไม่น่ารั ก, คร ก, ร ก, ก, กแค่เห็นโครงกระดูกนี่ก็กลัวแล้วใช่ไหมเห็นโครงกระดูกเลยเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้นี่ ถ้าเราศึกษาอนาตมีซะหน่อยต่อไปความรักมันก็จะหายไปความรักแบบนี้จะหายไปคือรักความสวยงามของร่างกายหายไปแต่ความรักด้วยความเมตตาไม่หายความรักมีความปรารถาาดีที่จะให้เขามีความสุขนี้ไม่หายไปจากการเจริญอรสุภะการเจริญอรสุภะนี้จะทําให้ความรักที่เกิดจา ก, กามารมณ์หายไป ถ้าเรามีปัญหาทางนี้เราควรจะหัดเรียนรู้วิชา anatomy คือรู้จากร่างกายของมนุษย์เราว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างไม่ยากเย็นตรงไหนอาการแค่32เรียนอะไรมาได้ต้องเยอะแยะแก่อาการอาการ32ที่มีคุณปร ะ, ประโยชน์อันมาหาศาล น, นี้กับไม่เรียนกันเลยกลายเป็นธาตุของการมาลมอยู่คนเดียวก็เหงา ว, ว้าวเศร้าส้อยงอยเหงา เพราะการมารมณ์เพราะอยากจะมีแฟนอยู่ใกล้แฟนแต่ถ้าได้ศึกษาอนาตมีของแฟนแล้วก็จะไม่อยากอยู่ใกล้แฟนแล้วอยู่คนเดียวจะไม่เหงาอยู่แล้วจะสบายไม่ต้องไม่ต้องมีความรู้สึกเหง า, ว, าว้าเหวหรือวุ่นวายใจไปกับเขานะน้ ล, ลองไปหัดศึกษาดูนะอาการ32 เปิดนังสือเดี๋ยวนี้อินเทอร์เนต็ตง่ายเนี่ยเปิดดูได้เดี๋ยวนี้เลยเขียนคาว่าอะนาตอมีเข้าไปถ้าเราเป็นหญิงแล้วก็ดูอ n นาต m มีของผู้ชายถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ดูอ n น t ต m มีของผู้หญิงแค่นี้เองแล้วก็ดูแล้วก็พยายามจำอาไว้จำมาไว้ทุกครั้งที่เราเห็นคนที่เรารักเราก็คิดถึงอ n นาต m มีของเขาแล้วมันก็จะทำให้เราคลายความหลงคลายความ กำหนัดยินดีในร่างกายของเขาได้แล้วจะทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเพศติดต่อไปจบถามได้เลยถามได้เลยพอดีลูกคุยใกล้ปากหน่อยไมโครโฟนลูกมีคำถามอาคะค่ะเขาถามว่าเออทำไมจะต้องเกิดอะคะ่ะอ๋อ ก็เพราะว่ามันมีความอยากความอยากมีความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายถึงจะมีความสุขได้เวลาไม่มีร่างกายก็จะมีความรู้สึกหงุดกิดเศร้าซ้อยหงอยเหง า, ว, าว่าเวแต่พอได้มีตาหูจมูกลิ้นกายไปดูรูปเสียงกิจนรสต่างๆก็เกิดความสุขขึ้นมา พอไม่มีร่างกายอันนี้ก็ต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ต่อไปก็ต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะอยู่เข้าใจหรือยังครับ <c oughs> ต่อไปนี้ถ้าหนูไม่อยากเกิดก็หนูอยากไปอยากดูอยากฟังหลับตาปิดหูไม่อยากดูอะไรไม่อยากฟังอะไร อยากนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปนะแล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเกิดนะต่อไปคำถามจากทงางไลน์นะคะจากคุณบนรัตค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะลูกชายเรียนจบแล้วงานยังไม่มีได้แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมตอนแรกเขาก็ไปนะคะและมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีการตามไปสัมภาษณ์งาน แต่สักพักเขาก็เลิกและกลับไปเที่ยวเหมือนเดิมพยายามแนะนำเขาว่าควรทำต่อเนื่องแต่เขาไม่ฟังและโมโหทุกครั้งดิฉันควรทำอย่างไรคะคือเราแนะนำได้แต่เราไปบังคับก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของง่ายปีนถูเขายังง่ายกว่าไปปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องเข้าใจตัวเราเองยังไม่ไปแต่แล้วเราจะไปให้เขาไปได้อย่างไร ถ้าอยากให้เขาไปเราต้องนำไปก่อนแต่ใบดันเขาไม่ได้แต่อาจจะเป็นตัวล่อได้ใช้อุบายบอกว่าช่วยไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยแมอยากไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เขาก็อาจจะไปให้ทำให้กับเราพอเขาได้ไปเขาได้ทำเขาอาจจะชอบต่อไปเขาอาจจะไปไปเองก็ได้แต่ถ้าเราสั่งให้เขาไปนี่มันไม่ยุติธรรมเขาอาจจะไปเพราะความเขารบความเกณงใจ แต่พอไปแล้วเขาทำไม่ได้เขาก็ไม่อยากไปี่ถ้าเราอยากจะให้เขาไปเราก็ต้องใช้อุบายชวนเขาให้ไปเป็นเพื่อนเราเราก็ต้องไปบ่อยๆถ้าเราอยากจะให้เขาไปบ่อยๆเราก็ต้องชวนให้เขาไปบ่อยๆถ้าเขาไปด้วยความยินดีก็อาจจะทำให้เขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วถ้าทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าได้ผลแล้วเขาเห็นคุณเห็นคุณค่าของผล ของการปฏิบัติเขาก็จะมีความยินดีต่อการปฏิบัติเองต่อไปนั้นถ้าเราอยากจะให้เขาไปเราต้องไปเองชวนเขาไปให้เขาไปเป็นเพื่อนอย่างนี้ถ้าเขาไปไปก็ช่วยไม่ได้ก็เถอว่าดิสัยน์เขาไม่มาทางนี้เราก็เปิดโอกาสให้เขาแล้วเราก็ดึงเขาแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ ยังไม่ถึงเวลาก็เลยคิดว่าบางเวลานี้ไม่ใช่เวลาของเขาอาจจะต้องรอให้เขาได้ไปมีประสบะการณ์ในชีวิตพบกับความทุกข์พบกับความผิดหวังพบกับปัญหาต่างๆมากมายก็อาจจะทําให้เขามองอีกด้านหนึ่งก็ได้อาจจะทําให้เขาอยากจะไปเองก็ได้คนเราถ้ามันทีมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลกันหรอกใช่หไหมแต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่ต้องบังคับเลย วิ่งถามหาหมอกันวุ่นไมหมดเังนนตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนคำถามต่อไปจากคุณปอมค่ะอยากทราบว่าจะให้เกิด น, าา น, นิพพยายนี้ต้องกระทำในขั้นอุปจาระสมาธิเท่านั้นหรือเปล่าคะการที่เราใช้ความคิดให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเว้นไายตายเกิด โดยไม่ใช่สมาธินี่ใช่หรือไม่ใช่นิพิธายานหรือคะมันก็อยู่ที่ว่าเบื่อหน่ายแบบสุขหรือเบื่อหน่ายแบบทุกข์ถ้าเบื่อหน่ายแต่ทุกข์ไม่สบายใจอย่างนี้ก็เป็นไม่ใช่นิพิธาที่ถูกต้องถ้าเบื่อหน่ายแบบสุขว่าโอ้ยเบื่อเหลือเกินชีวิตนี้อยู่คนเดียวสบายกว่าเยอะแยะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นนิพิธาที่ถูกต้อง จะมีนิพพิทาที่ถูกต้องได้ก็ต้องมีจิตที่สงบก่อนเพราะจิตสงบแล้วมีความสุขในตัวเองก็จะเห็นความวุ่นวายจากการที่จะต้องมีหาความสุขจากบุคคลอื่นจากสิ่งต่างๆก็จะทำให้เบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นความเบื่อหน่ายที่มีความสุขที่เกิดจากความสงบลองรับอยู่จะไม่รู้สึกว้าเวเศร้าส้อยงอยงเงา แต่เทนิพิธาแบบจิต ท, ที่ไม่สงบนี่มันจะมีความรู้สึกเหงาว้าวเวเบื่อเบื่ออยากๆยากเนี้ยเบื่ อ, อแต่ก็ยังอยากอยู่อยู่คนเดียวก็เศร้าซ้อยงอยเหงาจะไปก็ไม่อยากไปไปก็ลำคานเบื่อกืนไม่เข้าคายไม่ออกนี่เรียวนิพิธาแบบเกินไม่เข้าคายไม่ออกแต่ถ้ามีความสงบจิตสงบมีความสุขมันจะเห็นโทษของ เอเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆว่าวุ่นวายเนาะไม่มีมันดีกว่าและเวลาไม่มีมันจริงๆก็ไม่รู้สึกว้าเเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาเพราะมีความสง บ, บมีความสุขใจยิ่งนั้นผู้ที่จะละเบื่อหน่ายได้จริงๆจึงต้องมีสมาธิก่อนแล้วก็ไม่ใช่อุปจารสมาธิต้องเป็นอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธินี้ไม่มีอุบเบกขาไม่มีความสุข เป็นสมาธิที่มีอภินยาเรียกอุปจารสมาธิสามารถมีตาที่ผูทิพได้ละลึกชาติได้นี่เป็นเป็นผลที่เกิดจากการมีอุปจารสมาธิแต่จะไม่มีอุเบกขาใจที่สงบเย็นสบายถ้าอยากจะมีอุเบกขาใจสงบเย็นสบายวางเฉยได้ก็ต้องเป็นอปปนาสมาธิ คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณสมเกียรติค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมกําลังปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์อยากทราบว่ากรณีเราขับรถไปแล้วไปดับกลางทางรถไฟปรากฏว่ารถไฟกําลังมาแล้วเรารีบเปิดประตูรถเพื่อลงหนีแบบนี้ถือว่าเรากลัวความตายหรือไม่เพราะตอนนี้ผมกําลังพิจารณาความตายครับก็อยู่ที่จิตใจเราสั่นหรือเปล่า ถ้าเราออกมาแบบใจเย็นๆเดินสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่กลัวแต่ถ้าออกมาด้วยใจสั่นลุกลี้ลุกนนลอันนี้ก็แสดงว่ายังกลัวอยู่อยู่ที่ว่าใจนิ่งหรือไม่นิ่งถ้านิ่งก็แสดงว่าใจไม่กลัวถ้าใจสั่นนี้ก็ยังแสดงว่ากลัวอยู่คำถามจากคุณอร่าไทยคะ่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ อยากทราบว่าเมื่อเราพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วผลของจิตที่ถูกฝึกแบบไหนถึงเรียกว่ามาถูกต้องแล้วดีแล้วเจ้าคะตอนนี้ได้แค่พุโทโธและมีเสียงพุโทโธตลอดเสียงไม่หายไปใจนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างแต่ดึงกลับมาพุโทโธได้ถ้านิ่งคือเผลอหลับเจ้าคะ่ะก็ต้องลองนั่งสมาธิให้ให้จิตให้รวมสตินี้จะเป็นตัวดึงจิตให้มารวมเป็นหนึ่ง เป็นเอกขกตารมคือสักแต่ว่ารู้หยุดคิดปรุงแต่งทั้งหมดไม่รับรู้อะไรหรือรับรู้ก็ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้สักแต่ว่าเป็นอุเบกขาดัางนั้นนอกจากการเจริญสติแล้วยังไม่พอจเจริญสติแล้วต้องไปนั่งต่อนั่งให้นิ่งๆกายต้องนิ่งก่อนจิตถึงจะนิ่งได้ ถ้ามีแต่สติแต่แต่ใจยังทํางานอยู่ใจก็นิ่งไม่ได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยังทําอะไรอยู่ใจก็จะนิ่งไม่ได้ถ้าอยากให้ใจนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิต้องนั่งเฉยๆแล้วก็หยุดความคิดด้วยคําบริกรรมพุทโธไปเวลาจิตรวมจริงๆมันจะต้องแบบตกลุมตกบอ่อวุบลงไปจะตกแบบลึกหรือไม่ลึกก็อีกเรื่องหนึ่งบางทีตกไม่ลึกยังสามารถรับรู้เหตุการณ์ทางร่างกายได้ ร่างกายจะเจ็บรับรู้ได้แต่ใจไม่เจ็บกับร่างกายไม่เหมือนตอนที่ไม่สงบตอนที่ไม่สงบใจจะลำคาญกับความเจ็บของร่างกายแต่พอใจสงบปั๊บนี่มันจะไม่ลำคาญกับความเจ็บของร่างกายอันนี้ก็เป็นสมาธิอย่างหนึง่งและอีกอย่างหนึ่งก็ลงลึกไปกว่า น, นั้นลงไปแบบไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยร่างกายหายไปจากความรับรู้เหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ตามลมพัง อันนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนกันได้ทั้งสองแบบจากคุณชินค่ะขอความเมตตาชี้ทางสว่างวิธีชนะกิเลสตัณหาด้วยครับกราบขอขอบพระคุณมากครับก็ต้องมีสติเป็นเป็นอาวุธก่อนมีสติพอมีสติเราก็จะเห็นความคิดของเราเห็นกิเลสของเราเวลามันโผล่ขึ้นมาพอกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้สติหยุดมันไปก่อน พุโทโธพุโทโธหรือถ้าเราสั่งพอเห็นปับ๊บมันโผล่ขึ้นมาปับ๊บพอเห็นมันปับ๊บมันก็หยุดปับ๊บก็แสดงว่าเรามีสติพอคิดจะไปด่าใครก็รู้ทันปับ๊บมันก็หยุดเนี่ยแต่มันจะหยุดชั่วที่เรามีสติเดี๋ยวพอเราเผลอมันอาจจะกลับไปคิดด่าเข้าใหม่อีกได้ถ้าอยากจะให้เลิกด่าอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากจะไปด่านั้นมัน เราไปทำอะไรเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ด่าเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาทำให้เราด่าใหม่ได้อีพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าปล่อยเขาทำอะไรไปตามเรื่องของเขาเ <ism> <ม>ขา อ, อยากจะพูดเขา อ, อยากจะทำอะไรเขาปล่อยก็ททำไปอย่าไปอยากให้เขาทำตามที่เราต้องการขเขาแล้วกันที่เราอยากจะด่าเขาก็เพราะว่าเขาขทำไม่ไม่ได้ทำตามที่เราต้องการให้เขาทำเราก็เลยโกรธเขาเลยก็ อ, อยากจะด่าเขา แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำตามที่เราต้องการเราก็จะไม่โกรธเขาเราก็จะไม่อยากด่าเขาอันนี้เป็นการใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่โกรธใครจะไม่อยากด่าใครจะไม่อยากได้อะไรจากใครเพราะเห็นว่าสิ่งที่ได้มามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขถ้ามีปัญญาต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถ หยุดความโลภได้อย่างถาวรความโกรธได้อย่างท้าวรแต่ถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติเลยก่อนพอโลภปั๊บพอรู้ว่าโลภแต่หยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธใส่มันเข้าไปแล้วพอพุทโธไปสักพักเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่เราโลภความโลภ ก, ก็จะหายไปคําถามจะคุณสองนารีค่ะ เพื่อนฝากเงินไว้ทําบุญใส่บาททาแล้วเราแจ้งให้เขาทราบเขาจะได้รับกุศลเหมือนที่ตัวเองใส่บาทเองไมค่ครั้งเขาก็ได้เต็มร้อยในส่วนที่เงินทองของเขาส่วนที่เขาไม่ได้ก็ส่วนที่เขาต้องทําเองคือเดินทางมาทําบุญส่วนนี้เขาไม่ได้ส่วนนี้เราทําให้เขาเราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เอาเงินของเขามาทําบุญให้เขาเขาได้ส่วนที่เขาเสียสละเงินทองของเขาไป แต่เขาไม่ได้ส่วนคือความขยนันความเพียรที่จะเดินทางมาทำบุญเราเราเป็นผู้ได้ส่วนนั้นไปเราเป็นผู้มีความเพียรเดินทางมาทำให้เขามันบุญคนละอย่างกันทานเป็ น, านปการให้ส่วนความเพียรนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งความขยันเหมือนเพียรคำถามจะคุณประพัฒสอนค่ะคนที่ทาแต่บุญ แต่ไม่ได้ทําหลักของใจในวงเล็บภาวนาไว้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีที่ดินแต่ไม่มีโฉนดจะซื้อจะขายเป็นเงินเป็นทองก็ได้แต่มันอาจจะถูกเขาช่อบโกงได้เพราะไม่มีเสาหลักปักเขตไว้คนที่มีศีลมีทานแต่ไม่มีภาวนาก็เท่ากับถือศาสนาเพียงครึ่งเดียวเหมือนคนที่อาบน้ำแค่บ้านเอวไม่ได้ลดลงมาตั้งแต่ศรีรษะก็ย่อมจะไม่ได้รับความเย็นทั่วตัวเพราะไม่เย็นถึงจิตถึงใจ กาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่หนูเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่คะก็ถูกต้องก็ไม่ได้ครบบริบูรณ์ถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มร้อยจากศาสนาก็ต้องทำให้ครบเต็มร้อยต้องทําบุญทําทานต้องรักษาศีลและต้องภาวนาและอีกอย่างหนึ่งการทําบุญทําทานรักษาศีลนี่มันเป็นขั้นตอนที่สนับสนุนกันก่อนที่เราจะภาวนาได้เราต้องมีศีลสนับสนุน ก่อนที่เราจะมีศีลได้เราก็ต้องมีทานเป็นผู้สนับสนุนก่อนดันั้นมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จาเป็นจะต้องทาไปตามขั้นตอนเหมือนกับการศึกษาล่ำเรียนเราก็ต้องเรียนจากขั้นอนุบาลขึ้นสู่ขั้นปถมมัธยมตามลำดับไม่ใช่ว่าเราอยากจะเรียนปริญญาเราก็จะไปเรียนได้เลยไม่ใช่ว่าเราอยากจะภาวนาแล้วเราจะภาวนาได้เลยถ้าเรายังไม่มีศีลยังไม่มีทานเราก็อาจจะภาวนามไม่ได้ ได้ก็ได้น้อยเนี่เราก็ต้องทําให้มันครบบริบูรณ์ทําตามขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การทําบุญทําทานแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่การรักษาศีลห้าศีลแปดไปตามลําดับแล้วก็เริ่มภาวนาสมถะภาวนาแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาภาวนาไปถึงจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากศาสนาคําถามจะคุณสมทรงค่ะ คุมจิตนี้ช่างยากนะครับไล่ไม่ทันสักทีครับถ้าเพ่งจุดใดจุดหนึ่งไปนานๆได้ไหมครับก็ได้ถ้าเพ่งก็ให้เพ่งอยู่ที่ร่างกายถ้าเราร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวการกระทาอยู่ก็ให้ดูร่างกายให้จิตเกาะติดอยู่กับร่างกายกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังยืนก็อยู่กับการยืนกําลังหันหน้าไปทางซ้ายก็หันหน้าไปทางซ้ายขวาก็ขวา ยกแขนซ้ายยกแขนขวาก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกิเลียบทอันนี้ก็จะควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แล้วถ้านั่งเฉยๆก็เพ่งดูที่ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวเข้าดูลมที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้ให้หายใจ ย, ยาวๆหรือหายใจลึกๆ อันนี้ไม่ใช่เป็นการเพ่งการเพ่งนี้ให้ดูเฉยๆอย่าไปบังคับลมให้หายใจลึกหายใจสั้นหายใจยาวเราต้องการใช้ลมเป็นจุดเกาะยึดติดจิตใจไม่ให้ไปลอยลอยไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆคําถามจากคุณเซย่าค่ะเรามีความอยากเป็นอยากมีในสิ่งนั้นๆทําอย่างไรให้ใจคงเป็นปกติได้เร็วครับ ก็เห็นว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องหมดไปต้องจากเราไปแล้วความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปคือพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้อย่าไปคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วมันจะเราจะสามารถรักษาให้มันคงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปได้ตลอด เดี๋ยวมันก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปคำถามจากคุณวีระวันค่ะอายุ82ปีเพศชายเอาแต่จใจตัวถูกต้องเสมอจะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะอยู่ไก็ต้องเปลี่ยนใจนะั่นก็ต้องดูตามเหตุผลนะว่าใครถูกใครผิดก็ต้องยอมว่ากันไปตามผิดตามถูกถ้าเราถูกก็ว่าไป ถ้าเราผิดก็ว่าไปอย่ า, อ ย, าอย่ายึดแต่ความรู้สึกเพราะเราคนเราไม่แน่นอนบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดเอาคำถามคำาสุดท้ายอ่ะมีมีคุณหมอฝากคำถามข้างหลังมาคุณหมออ่านเองก็ไดอ้อยากถามเรื่องของสังขารนะครับหากไม่เข้าสมาธินี่เราสามารถท้าไม่ให้มันเกิดได้หรือไม่ครับหรือว่า มีแต่สติกับการปรุงแต่งต่อนเนื่องครับไม่อยากเข้าสมาธิอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกราคะกันหาเงี้ยครดูถ้าอยากจะไปหยุดมันเนี่ยสังเกตการแสดงออกเวลามันมามันจะผ่านทางสังขารแล้วก็ผ่านทางสัญญาสร้างเป็นภาพในใจแล้วสิทธิ ม, มาปรุงแต่งนะฮะแล้วก็พยายามเอาอสุภะมาดับแล้วก็แต่ว่ามันก็มันจะสู้กันตลอดแล้วก็เหมือนคนเลี้ยงลูกบอลก็แย่งกันตลอดในสุดก็เขาว่าชนะไปที น, นี้ก็เลยคิดว่าจะหยุดมัน รรเรากําลังของเราไม่พอสติไม่พอเนี่ยเราต้องฝึกสติแล้วให้มันสามารถหยุดใจเข้าสู่สมาธิให้ได้ก่อนเพราะงั้นเราจะหยุดมันได้เต็มร้อยต้องมีกําลังให้จิตสงบเป็นสมาธิพอจิตพอจิตเข้าสมาธิได้แสดงว่าสติเรามีกําลังมากแล้วเราก็สามารถใช้ปัญญาประสอนใจได้เราจะไม่แพ้มันจะชนะมันแต่บางครั้งเหมือนเข้าสมาธิพอออกมาเขาก็เหมือนกับ มาคอยคือมันเหมือนสู้กันตลอดมันไม่ยอมสมาธิเรายังไม่มีกําลังมากพอไงต้องฝึกสติฝึกฝึกสมาธิให้มากก่อนให้ให้นิ่งนานๆก็ไปนั่งเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยจิตสงบเป็นชั่วโมงอถ้าอย่างนั้น้ออกมาแล้วจะมีกําลังสู้กับมันได้ถ้าไปเข้าไปแป๊บเดียวแบบคณิกานี่มันยังมีกําลังไม่พอพอสู้ได้บ้างแต่พอสักพักเดี๋ยวก็หมดกําลัง ถ้าสู้ไว่ได้ก็แสดงว่าสติหมดกําลัง<ม>ก็ต้องกลับไปสมาธิไปเพิ่มกําลังก่อนครับเหมือนชาร์จแบตเตอรี่เครื่องนี้ถ้าชาร์จแค่ห้านาทีก็ใช้ได้ไม่าบบนานถ้าชาร์จสักชั่วโมงนี้มันก็ใช้ได้นานกว่าเยังการเข้าสมาธิก็เป็นเหมือนการไปชาร์จแบตของจิตใจให้มีกําลังมาต่อสู้กับกิเลสตัณหา แล้วเราพอชาร์เข้าไปออกมาเราต้องพิจนารณาไป<ก>ว่าก็เอาสุภาพดูสุภาพไปเรื่อยๆก่อ น, นครับแล้วก็พอมันเกิดการมาราคะเราก็ใช้อสุภาพนี้สู้กับมันไปถ้าจิตอยู่กับสุภาพมันก็จะดับถ้าออกจากสุภาพถ้าลืมมาสุภาพเมื่อไหร่มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้มันอยู่ที่ความคิดของเราจะคิดไปทางไหนถ้าไม่มี สติไม่มีปัญญามันก็จะคิดไปทางสุภาอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็สวยงามไปตลอดแต่ถ้าเรามาฝึกสติฝึกปัญญาต่อไปเราก็จะสั่งให้มันคิดไปทางอสุภาได้อย่างต่อเนื่องถ้ามันอยู่กับอสุภาแล้วรับรองได้ว่ามันจะต้องดับปัญหาเกิดมันไม่อยู่กับสุภาอย่างต่อเนื่องส่ได้อยู่สู่แป๊บๆเดี๋ยวกับไปสุภาอีกแล้วแสดงว่าเรายังควบคุมใจไม่ได้ เต็มร้อยครับเ <c oughs> งั้นฝึกสติฝึกสมาธ่ให้มากๆกว่านี้ให้จินสงบได้นานๆเหมือนกับได้ชาร์จแบตนานๆจะได้เอามาใช้เวลาใช้เครื่องจะได้ใช้ได้นานๆถ้าชาร์จแบตได้ห้านาทีใช้เดี๋ยวปั๊บแบตก็หมดละเดี๋ยวก็ต้องไปชาร์จใหม่เนพยายามชาร์จให้มันเต็มร้อยก่อ น, น, นดีกว่าอย่าไปชาร์จแค่ได้ห้านาทีห้าห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ออกมาใช้เดี๋ยวเดียวมันก็หมดน สมาธินี่ก็เหมืนกับเป็นการชาร์แบตนะมีคําถามไปเลยข้างล่งางถามเลยเอันนี้ก็เลยต้องเลื่อนเวลาไปหน่อยปกติก็หมดเวลาก็การบวชหลายครั้งนี้ไม่ดีจริงไหมครับก็ถ้าบวชหลายครั้งมันก็แสดงว่าจิตอ่แบบเข้าๆออกๆไม่เอาจริงเอาจัง ถ้าเอาจริงเขาจังนี้บวชแล้วไม่สึกเลยถ้าบวชแล้วสึกก็แสดงว่าแพ้แพ้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะสู้ใหม่ก็กลับไปบวชใหม่ก็กลับไปบวชใหม่เดี๋ยวโดนหมัดเขาหน่อยก็ยกมือยอมแพ้อีกแต่ถ้าเป็นผู้ที่แบบว่าสู้ไม่ถอยอย่างหลวงตาสอนนี่โดนกี่หมัดก็ลุกขึ้นมาสู้กมันต่อไม่ถอยถ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการบวชที่ดีบวชแบบไม่สึก มีอะไรก็เปล่านะแลถ้ามีเหตุต้องให้ศึกตลอดอย่างผมเนี่ยครับต้องเปิดเรียนอะไรเงี้ยครับอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาเป็นการเป็นการมาซ้อมก่อนไม่ยังไม่ได้บวชจริงเป็นการมาสัมผัสรับรู้ก่อนไว้เวลาที่เราไม่มีภาระหน้าที่อย่างอื่นแล้วทีนี้เราบวชจริงถ้าบวชจริงทีนี้เราต้องไม่ศึกแล้ว <c oughs>